อ่สงกันบ้าโยมรู้สึกว่าจิตโยมสบายขึ้นแต่หลายครั้งโยมก็ยังจมอยู่ในความรู้สึกอันานานนะคะอื ม, มรู้ทันมันไปลืมความรู้สึกไปก็ใช้ไม่ได้นะก็ไปจมอยู่กับความรู้สึกก็ใช้ไม่ได้นักปฏิบัติชอบเข้าไปจมเข้าไปแช่เข้าไปแช่ได้ที่รู้สึกวันนี้ภาวนาดี แต่แต่ตอนที่จมแช่โยมไม่ได้รู้สึกว่าโยมภาวนาดีโยมรู้ว่าจมนั่นแหละดีแล้วนะที่ตมาหมายถึงว่านักปฏิบัติส่วนมากอะ่ะจะพอใจไปสร้างสภาวะอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เข้าไปอยู่กับสภาวะ น, นั้นชับสร้างนะไม่ค่อยมีคนรู้มีแต่คนสร้างแตการที่ทราบว่าสภาวะที่จะจมหรือ จะรู้สึกเนี้ยก็บังคับไม่ได้เออบังคับไม่ได้ น, ดนั่นแหละธรรมะนะสติมันเกิดขึ้นเองแล้วตอนนี้เกิดขึ้นเองกุศลนกุศลอะไรผุดขึ้นมันก็เห็นเห็นได้ดีดละภาวนาเป็นลรรระภาวนาเป็นในความหมายของหลวงพ่อก็คือสติมันเกิดได้เองแล้วล้วสติ ยังอ้อนวอนให้มันเกิดนะมันถึงจะเกิดเนี่ยยังไม่ใช่ของจริงหรอกตรงที่จิตมีสติเกิดขึ้นเองังเก็นไหมมีความสุขขึ้นมาบางทีโสมนัตจิตที่เป็นกุศลเนี่ยที่เราใช้เจริญปัญญาเนี่ยมันคือจิตที่เป็นกุศลมีโสมนัตเวทนาบ้างอุเบกขาบ้างประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นโดยไม่ต้องอ้อนวอนให้เกิดเกิดเอง ดัง น, นมีจิตยอยู่สองดวงเท่านที่ใช้เจริญวิปัสนาในภูมิของมนุษย์ส่วนมากแทนที่จะใช้จิตสองดวงนี้ไปเจริญวิปัสนานะกลับไปเพ่งให้นิ่งๆอย่ยไปเอาจิตในพรุมโลกมาทําวิปัสนาอได้เห็นการบังคับกับการประคองนะคะออแล้วจากนั้นก็เห็นจิตที่เป็นอิสระรเออค่ะ นี่นแหละสำคัญมากนะมาดูไม่เป็นมาคิดถึงคาว่าปฏิบัติก็เข้าไปทำปก่อนอาจารย์สุจินบริหารวัดนัเขตเคยมาปลูกต้นโพถักต้งต้นบอกก็ไม่เคยไปปลูกที่ไหนนะมาปลูกที่นี่ที่แรกแก <c oughs> แปลคาว่าปฏิบัติให้ฟังบอกปฏิแปลว่าเฉพาะบัตหรือปฏิแปลว่าเข้าไปเห็นไปตั้งอยู่ไปเห็นอยู่ แท้จริงแล้วคําว่าปฏิบัติก็คือการที่เรามีสติเข้าไปเห็นเฉพาะหน้านั่นเองเห็นกายเห็นใจอยู่เฉพาะหน้าไม่ใช่เข้าไปทําอะไรขึ้นมาแปลกๆนักปฏิบัติเราไปติดคําว่าปฏิบัติภาษาไทยเรเลยคิดว่าต้องทําอะไรที่เหนือธรรมดาตัวจริงเราต้องการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่เราไปทําให้มันผิดความจริงตั้งแต่เริ่มเราคิดถึงการปฏิบัติ ก็ดัดแปลงกายดัดแปลงใจให้มันนิ่งให้มันทื่อๆื่อให้มันผิดความจริงแล้วจะเอาความจริงที่ไหนไปดูมันเราไม่ได้ไปดัดแปลงตัวอารมณ์นะแต่เราพัฒนาจิตให้มีกำลังขึ้นมาให้จิตตั้งมั่นไม่ใช่ให้จิตเข้าไปนอนอยู่กับอารมณ์จิตต้องตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ตั้งมั่นหมายถึงว่ามันตั้งของมันเองเพราะว่าสติเกิดพอสติเกิดจิตจะตั้งมั่นอัตนมติ ถ้าสติไม่เกิดก็ไม่ตั้งมั่นหนีไปเลยถ้ามีแต่สติไม่มีปัญญาก็เข้าไปตั้งแช่ในอารมณ์นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเข้าไปแช่นี่ทำไงสติชะระรึกปัจจุบันอารมณ์ได้แล้วก็จิตจะได้ตั้งมั่นสติจะระรึกได้ถ้าสติเคยเห็น งั้นมาเรียนที่หลวงพ่อรู้สึกไหมหลวงพ่อผ่าดูสภาวะเรื่อยๆพอเราเห็นสภาวะด้วยตัวเองรู้สึกไหมมันดีดขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมาในฉับพลันเลยไม่ใช่ปรุงแต่งแต่เห็นสภาวะตามความเป็นจริงเมื่อเห็นสภาวะตามความเป็นจริงนะจิตก็ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นก็จะเห็นว่ารูปนามกายใจหรือปัจจุบันอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็จะดับทั้งสิ้นเกิดแล้วดับเกิดแลดับไม่ต้องคิดเรื่องไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ไม่ได้เอาไว้คิดเล่น สายลักน์เป็นของที่เราต้องเข้าไปรู้ไปเห็นของคุณหลันคุณหลันใช่ไหมก อ, อดีแล้วนะทำอยุ่ทุกวันนี้ถูกต้องแล้วนะรู้ทันตรงประคองนี่ยากมากรู้จับเผลอไปรู้จับประคองไว้รู้จักสองอันนี้ปฏิบัติได้ละวทำไมรู้จักสองอันนี้แล้วปฏิบัติได้เพราะจิตมันจะเข้าทางสายกลางได้ตรงเผลอไปนะตามกิเลสไป อยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัส ท, ทางกายอยากคิดอยากนึกเนี่ยส่งจิตไหลาหตามกิเลสออกไปหายนอกบ้างภายในบ้างการที่เอาจิตปล่อยตามกิเลสไปเรียกว่าความสุขขัิการุโยกสุดโตอีกข้างหนึ่งบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อ ย, อ ย, อยนี่พูดแบบสุภาพนะ เกบร้อยร้อยคือนักบังคับกายบังคับใจคืออัตตากิรมาสฐานุโยกคห น, น, นึ่งทันทีที่คิดเรื่องปฏิบัติก็บังคับเอาบังคับเอาสติตัวจริงจะเกิดไม่ได้เลยทําไมถึงเกิดไม่ได้เพราะขณะนั้นโลภะเกิดขึ้นครอบครองหัวใจอยู่อยากปฏิบัติปับ๊บจ้องปับ๊บโลภะเจตนาเกิดขึ้นการจะทํากรรมตัวเจตนาตัวนั้น เ, นเจือด้วยโลภะ จิตดวงนั้นเป็นอกุสรจิตหนักๆแน่แนๆ แ, แข็งๆซึมๆทื่อๆไปแต่ถ้าส ต, ติตัวจริงเกิดนะจิตจะตื่นขึ้นมาฉับพลันเลยจิตจะมีความอ่อนโยนนุ่มนวลมีความเบาความคล่องแคล่วว่องไวเวินแก่การงานในฉับพลันแล้อาศัยจิตที่เป็นมีสัมมาสมาธิมีสติมารู้กายมารู้ใจก็จะเห็นกายเห็นใจตรงความเป็นจริง จะเห็นกายเห็นใจตรงความเป็นจริงคือเห็นอะไรก็เห็นไตรักนั่นเองกายนี้เราจะเห็นเป็นทุกข์ได้ง่ายกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องคิดเรื่องกายเป็นทุกข์หรือไม่เป็นแต่สติระลึกรงไปก็จะเห็นเลยทุกข์ตลอดนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนยังทุกข์เลยนะนอนต้องนอนพลิกไปพลิกมาเพราะร่างกายมันทุกข์ร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุ ตัวที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเป็นวัตถุยืนเดินนั่งนอนอยู่วัตถุมันตั้งอยู่ในกริยาต่างๆเห็นธาตุไหลเข้าเห็นธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายเห็นร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเรานี่เห็นอนัตตา เห็นตรงความเป็นจริงนะเห็นเนเป็นทุกข์บ้างเป็นอนัตตาบ้างแล้วแต่จริตนิสัยคนมุมใดก็ได้ถ้าดูจิตดูใจเห็นแต่ความไม่เที่ยงหลั่นดูแล้วใช่ไหมไม่เที่ยงจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับนักปฏิบัติจะคิดว่าเราจะต้องทำจิตที่เป็นกุศลให้เกิดต้องทำจิตให้รู้สึกตัวแล้วก็รักษาจิตที่รู้สึกตัวไว้นี่เข้าใจไม่ถูกนะ ทำไมเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมาก็เพื่อเราจะได้เห็นจิตที่ไม่รู้สึกตัวจิตของคนในโลกนี้หลงตลอดพอเรามีจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาปั๊บเราถึงจะรู้ว่าหลงก่อนหน้านั้นเราจะไม่รู้ว่าหลงรู้สึกไหมเราก็คิดว่าเรารู้สึกตัวนะแต่ก่อนอนะถ้าไม่รู้สึกตัวก็คงเดินไม่ได้คงตกถนนไปแล้วคงทํามาหากินไม่ได้คงเรียนหนังสือไม่ได้ไปคิดแค่นั้นนะแท้จริงไม่มีคนรู้สึกตัว แต่เมื่อความรู้สึกตัวที่แท้จริงเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถึงรู้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกตัวเลยนี่พอรู้สึกตัวได้เราต้องรักษาไวไ้ยไม่รักษาเพราะความรู้สึกตัวเกิดแล้วดับก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันแต่พอเรารู้สึกตัวได้เราจะเห็นจิตเมื่อกี้เผลอไปห้ามมันก็ไม่ได้มันจะเผลอจิตขณะนี้รู้สึกขึ้นมาความเผลอก็ดับ จิตที่รู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้รู้สึกไหมสั่งไม่ได้เกิดเองเกิดเพราะมีเหตุนะไม่ใช่เกิดตามบุญตามกรรมเกิดเพราะมีเหตุให้เกิดเกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ดับงั้นจิตที่หลงไปเป็นตัวแทนของอกุศลจิต ท, ที่รู้ตื่นเบิกบานเป็นตัวแทนของกุศลสอนใจรักเราเท่าเท่ากันนะเกิดแล้วดับเท่ากันงั้นไม่ใช่เราปฏิบัติเพื่อเอากุศล ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้จิตสุขไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้สงบไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาดีแต่ปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะเห็นความจริงจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตทั้งหมดบังคับไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้ถึงจะปล่อยวางได้นะมันจะเกิดปัญญาขึ้นเบื้องต้นมันจะมีปัญญาขั้นต้นเห็นเลยว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปนามที่เกิดดับเกิดดับสับต่อเนื่องกันไปตัวเราไม่มี รู้สึกไหมตัวเราไม่มีแล้วชักจะเวิง้งว้างในใจมันยังไม่ตัดสักยทัทิฏิเลยยังไม่ขาดยังเหลืออยู่ดูออกไหม <Yeah. S 1> ดูออกแล้วไม่ต้องกลัวยังไงวันหนึ่งก็ต้องขาดถ้าดูไม่ออกเนี่ยไม่ขาดหรอกเรารู้ลงไปมากๆเบื้องต้นก็จะเห็นเลยว่าตัวเราไม่มีในขันห้ามีแต่ 1, ขันห้าขันห้ามันทํางานไปตามหน้าที่ของมันแต่ละขันแต่ละขันไม่ก้าวไกลกัน ตัวตนก็ไม่เกิดขึ้นถ้าก้าวไก่กันเมื่อไหร่ตัวตนเกิดขึ้นมาเมื่อ น, นั้นตัวตนจริงๆเป็นความเห็นผิดไม่ได้มีจริงนี่พอเรารู้แล้วตัวตนไม่มีว่างจากความเป็นตัวตนนะต่อไปก็รู้ต่อไปอีกรู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้านะ่จะวางเบื้องต้นอย่าวางกายได้ก่อนวางว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะมันจะไม่ดิ้นรนไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายลนะเมื่อไม่ดิ้นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่รับ ความสุขทางกรรมนั่นแหะความทุกข์เพราะการมก็ไม่มีกามกับปฏิฆะก็า ข, าขาดล้อมกันเป็นภูมิธรรมของพระนาคาถ้ารู้ต่อไปอีกมันจะจิตมันจะรวมเข้าเหลือที่จิตดวงเดียวนะมันทิ้งกายละมันจะเข้ามารู้ที่จิตดวงเดียวบางคนเห็นจิตเป็นอนิจจังบางคนเห็นจิตเป็นทุกข์บางคนเห็นจิตเป็นอนัตตาระวางได้สุดนี้ก็ไม่มีอะไรต้องทําไม่มีทุกข์ที่เหลืออยู่เพื่อตัวขันนั่นแหตัวทุกข์ ธรรมะลึกมากอริยสัสตร์ลึกซึ้งที่สุดเลยเราอ่านอริยศาสตร์เราก็นึกว่ารู้เรื่องนะไม่รู้หรอกอย่างพระพุทธเจ้าสอนบอกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์่อนหลวงพ่อเคยบวบชบัณฑ์บัณฑานส่วนมลแปลของส่วนโมกชาติปีตุขขาชราปีทุกข า, า, า, กขามารนำ้ำปีทุกขันแม้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นทุกข์ การทัดพลากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักแะความไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์แต่สุดท้ายท่านบอกว่าบ้าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ท่านสอนละเอียดนะลึกซึ้งพวกเราฟังธรรมะอย่างนี้เราก็คิดละคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์นึกว่ารู้ตรงที่ท่านพูดนะ ถ้าไม่ได้พูดว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์นะท่านบอกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพลัดพลากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์สุดท้ายท่านถึงบอกว่าไม่มีคนนะมีแต่ขันต้องย้ําอีกทีเพราะกลัวจะไปคิดว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์มีแต่ขันต่างหากล่ะไม่มีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายขันที่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไป กิเลสตัณหาหลอกลวงคิดว่ามีตัวมีตนอยู่มีเรามีเขาขึ้นมาก็เลยเจอสิ่งที่รักบ้างสิ่งที่ไม่รักบ้างมีกิเลสตัณหาขึ้นมาก็อยากบ้างไม่อยากบ้างอย่างท่านสอนตัวนี้สําคัญนะให้รู้ทุกใหรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจทุกให้รู้ไปรู้กายรู้ใจไม่ใช่ไปรู้ว่าอกหักเป็นทุกตกงานเป็นทุกไอ้นั่นทุกอย่างโลกโลกหรอก งั้นเราถ้าดูลงมาจนไม่เห็นว่ามีคนเน่ะถึงจะเรียกว่ารู้จักทุกอันนี้ก็ยังรู้จักเบื้องต้นนะรู้จักว่าไม่มีคนเนี่ยรู้จักเบื้องต้นมันภูมิของพระโสดาบันเรารู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้าวางลงไปเพราะว่าเห็นความจริงกายกับใจเป็นทุกข์ล้วนๆแล้วก็วางของเราไม่สามารถเห็นว่ากายกับใจเป็นทุกข์ล้วนๆเราเห็นว่ากายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้าง จิตนี้ทุกบ้างสุขบ้างเนียเห็นไม่ตรงที่พระพุทธเจ้าสอนอริยสัจเราอยังคิดว่าเรารู้อริยสัจลยความไม่รู้ของเราเยอะนะต้องค่อยๆดูค่อยๆ ด, ดูสภาวะไปจริ ง, รงๆไม่รู้หรอกพี่จ้าถึงสอนเพราะไม่รู้แจ้งอริยสัจถึงเรียนไหวตายเกิดไม่เลิกอริยสัจลึกมากนะรู้กายรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆนี่ทําไงจะรู้ได้ต้องมีสติ สติรู้ตามความเป็นจริงเป็นทางสายกลางสิ่งที่ทําให้รู้ไม่ได้มีสองงานอันหนึ่งเผลอไปขาดสติอันหนึ่งไปเพ่งกายเพ่งใจไว้ก็รู้กายรู้ใจตรงความเป็นจริงไม่ได้เพรดังนั้นอยากรู้ทุกข์ก็ต้องมีสติตัวจริงอยากมีสติตัวจริงต้องรู้ไม่หลงไปสองทางนะั้นสุดโต่งสองข้างแล้วก็ต้องรู้ว่าสติตัวจริงเกิดขึ้นได้ยังไงสติคือความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากําหนด รุ่นหลังมาแต่งตำลา ก, กันตามใจชอบพระสติแปลว่ากำหนดในพระไตรปิฎกสติคือความระลึกได้มีการระลึกได้เนืองๆในอารมณ์เป็นลักษณะมีความไม่เลื่อนลอยเป็นหน้าที่จิตของเราจะเลื่อนลอยเลื่อนลอยไปเรื่อยถ้ามีสติขึ้นมาสติมีหน้าที่ดูแลไม่ให้จิตเลื่อนลอยพระสติดูแลจิต ผลที่เกิดขึ้นก็คืออารักขาสติคุ้มครองจิตอกุศลดับทันทีกุศลเกิด ท, ทันทีเหตุใกล้ให้เกิดสติคือการที่จิตจำสภาวะได้เพราะสติมันเป็นความระลึกได้เนื่องๆมันจะระลึกได้มันต้องรู้จักมันรู้จักเพราะมันเคยเห็นบ่อยๆการเห็นกายบ่อยๆเรียกว่ากายานุปัสสนาเห็นเวทนาบ่อยๆเรียกเวทนานุปัสสนาเห็นจิตบ่อยๆเรียกขี ต, ตานุปัสสนา ในการทำสติปัฏฐานนั่นแหละทำให้สติเกิดเมื่อสติเกิดขึ้นมาใจไม่หลงไปสู่ความสุดโต่งของด้าสองด้านหลงเคลินตามกิเลส จ, จะหลงบังคับกายบังคับใจใจก็จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้นี่คือการรู้ทุกข์นะรู้เป็นลําดับลําดับไปวันหนึ่งปัญญาแจ้งกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆไม่ใช่กายนี้ทุกข์บ้างสุขว่า ง, างจิตทุกข์บ้างสุขว่า ง, างลึกซึ้ง ทันทีที่เห็นว่ากายกับจิตเป็นทุกข์รวนๆเนี่ยมันจะสลัดความยึดถือกายยึดถือจิตคืนให้ธรรมชาติเลยนะคืนจิตคืนกายคืนจิตให้ธรรมชาติไปความอยากที่จะให้จิตมีความสุขความอยากที่จะให้จิตพ้นทุกข์จะดับสนิททันทีเลยเพราะมันคืนเจ้าของไปแล้วความอยากจะเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อใดรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถุกล่าอัตโนมัติพวกเราเคยรู้สึกสงสัยไหมทําไมพระพุทธเจ้าสอนทุกข์ก่อน น่าจะสอนเหตุของทุกข์ก่อนเสิว่ามีความอยากขึ้นมามีความยึดขึ้นมาก็ทุกข์เลยท่านสอนในเชิงของการปฏิบัติท่าไม่ได้สอนเชิงวิเคราะห์ถ้าเป็นนักวิเคราะห์มองอริยสัจก็ต้องมองว่ า, าต้องมาทุกข์ก่อนทุกข์คือตัวปัญหาแล้วมาวิเคราะห์หาสาเหตุเนี่แล้วไปแก้สาเหตุคือการเจริญมรรคนี่กระโดดไปกระโดดมาความาเข้าใจอริยสัจนั้นะไม่แจ้งจริงพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจเพื่อการปฏิบัติ ไม่ได้สอนเพื่อให้เอาไปวิเคราะห์เล่นเ่นเอาไปคิดเล่นเล่นถ้าสอนอริยสัจเพื่อการปฏิบัติท่านก็สอนบอกว่ากายกับใจนี้คือตัวทุกข์หน้าที่ของเรารู้ทุกข์นะรู้กายรู้ใจจนวันหนึ่งเห็นว่ากายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราสลัดคืนให้ธรรมชาติได้ตันหาหรือสมูทัยจะดับอัตโนมัติเห็นไหมรู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็จะละสมูทัยอัตโนมัติทันทีที่ตันหาคือความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุข อยากให้การให้ใจพ้นทุกข์ดับสนิทไหมความอยากนี้ดับสนิททุกจิตจะหยุดการดิ้นรนทันทีเลยจิตจะเข้าถึงสันติสุขจิตพ้นความปรุงแต่งเพราะงั้นสมูทัยดับนิโรธก็จะแจ้งท่านถึงพูดว่ารู้ทุกข์ละสมูทยัยนิโรธก็แจ้งขึ้นมานี่เรียงลําดับธรรมะถูกต้องเป๊ะๆ เ, เลยนะด้วยการปฏิบัติเพรงั้นการรู้ทุกข์จนกระทั่งสมูทัยดับ อันหาดับเนี่ยนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาไม่ใช่นิพพานเกิดขึ้นด้วยนิพพานปรากฏนะฮะนิพพานไม่เคยหายไปไหนนิพพานไม่ได้เกิดขึ้นถ้านิพพานเกิดขึ้นนิพพานก็จะดับไปเหมือนกันสภาวะการที่เราเห็นสภาวะนิพพานเต็มต่อหน้าต่อตาเนี่ยเรียกว่าวิมุตยานทัศนะเราเข้าใจสภาวะแห่งความหลุดพ้นเข้าใจสภาวะแห่งนิพพานเข้าใจสภาวะของจิตที่เข้าถึงนิพพาน เข้าใจตัวนิพพานในการปฏิบัติตนะั้งแต่ต้นทางยันปลายทางนะมีเท่านี้เองต้นทางคือหัดสังเกตสภาวะของกายของใจเรื่อยๆทํากรรมฐานสักอันหนึ่งอะไรก็ได้เคยทํากรรมฐานอะไรก็ทําต่อไปแต่ทำแล้วหัดสังเกตสภาวะเคยดูท้องพองยุบก็ดูไปแล้วหัดสังเกตสภาวะเช่นดูท้องพองยุบแล้วใจลอยรู้ทัน ใจไปเพ่งท้องก็รู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลรู้ทันหัดรู้สภาวะเคยทาอานาปานาสติก็ทําไปแล้วก็หัดรู้สภาวะนะจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลก็รู้ฝึกอย่างนี้แต่ไปพระจิตจําสภาวะได้สติจะเกิดเองเมื่อสติเกิดเองเนี่ยใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสัมมาสมาธิจิตจะเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดู ใจที่เป็นสัมมาสมาธิเนี่ยจิตมันจะตั้งเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกโกทิภาวะเอกโกทิภาวะเนี่ยถ้าฝึกมาตามรูปแบบนะสำหรับพวกสมถีญานิกมันจะอยู่ในฌานที่สองคุณนำเกลงนรู้สึกไหมพะจิตวางวิตกวิจารขึ้นไปตัวผู้รู้ก็จะเด่นขึ้นมาตัวเอกโกทิภาวะคือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิไว้นั่นเองจะเด่นขึ้นมาคาบรรยายองค์คำ ของสมาธิในพระไตรปิฎกไม่เหมือนที่เราเรียนนะเราเรียนมันรวบย่อย่อย่อพระรุ่นหลังท่านมาย่อวิโตปวิจารปีตีสุเอกรคตาอะไรเงี้ยพอฌานที่สองก็ตัดวิโตปวิจารออกมีปีตีสุเอกรคตาแต่ในพระไตรปิฎกพูดถึงเอโกที่ภาวะในฌานที่สองนัปฏิบัติพอได้ยินคำนี้นะโอ้สะใจมากเลยอ่านองค์ฌานตามปริยัติก็แห้งแล้งนะ เรามาดูองค์ฌานที่พระพุทธเจ้าพูดเองนะโอโสะใจะมีเอโกที่ภาวะก็ภาวะที่จิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งแล้วจะเห็นทันทีเลยนะถ้าถอยออกมาจากฌานตัวนั้นแล้ว ถ, ถอยออกมาแล้วจิตที่เป็นหนึ่งยังทรงอยู่จะเห็นรูปนี้ไม่ใช่เราเห็นทันทีนี่สักคนที่เป็นวิปัสสนาญาณิกดูสภาวะมาถ้าดูสภาวะถูกต้องสติเกิดถูกต้องเอโกที่ภาวะอันนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นวิธีที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่ง ที่ของคุณหล่นเนี่ยเอโกทิภาวะที่คุณหล่นปรากฏแล้วก็เข้าไปรู้สึก เ, เกิดจากการมีสติแล้วก็จะเห็นสภาวะธรรมเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะดูอย่างนี้นะอย่าไปทําอะไรแผงแผลงขึ้นมานะเดี๋ยวจิตที่ดีๆจะเสียไปหมดหัดรู้นะหัดรู้สภาวะเบื้องต้นก็ทํากรรมาฐานอันหนึ่งเคยทํากรรมาฐานอะไรแช่นนะั้นนะไม่ต้องแก้หรอก แต่เคยทําแล้วก็เคลือบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวใช้ไม่ได้เคยทําแล้วเพ่งรูปเดียวนี้ใช้ไม่ได้เพ่งรูปเดียวคือเข้าไปนอนแช่ไว้เคยทําแล้วหัดสังเกตสภาวะไปใช้ได้สภาวะของรูปก็ได้ของนามก็ได้อย่างดูท้องพองยุบเนี่ยถ้าดูสภาวะรูปนะจะเห็นรูปมันพองรูปมันยุบใจเป็นคนดูมีคําว่าใจเป็นคนดูถ้าไม่มีใจเป็นคนดูนะไม่ใช่วิปัสนาจริงหรอกมันคือการเพ่งรูป คุณบางอ่อนเป็นไงของกันบ้านรู้รู้เล่นๆไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วบางคราวจะพบว่าเปจ้าเอ๋กับไอตัวคิดเดี็ดนะเสือไปแล้วคุณหลันเพ่งไปแล้วเชิญคุณบางอ่อนเจ้าค่ะบางคราวจะเป็นเจ้าเอต๋ตัวตัวคิดแล้วมันก็หยุด หยุดแบบกระทันหันนะจ๊ะกระทันหันเลยนะแบบเบรกแล้วขาดทันทีเหมือนดิสเบรกหยุดทันทีนะนไม่มีถลายอีกหน่อยหนึ่งไม่มีค่ะแล้วโยมก็ทดลองว่าเอาถ้าจะให้คิดต่อ น, นี้คิดไหมไม่ไปจ้ะเราสั่งมันไม่ได้ไ ม, ไม่ไปจ้ะถ้าจ้องไว้ยิ่งไม่ไปใหญ่าเหยียบปิจ้องนะห้ามจ้องนะคะเรียนรู้ลงปัจจุบันเป็นขณะขณะไปเอย่าไปจ้องใส่ ถ้าเาไปจ้องใส่มันก็ไม่คิดอะไรแต่ถ้าเราไม่จ้องใส่นะรู้สึกตัวก็หยุดคิดขึ้นแวบหนึ่งเดี๋ยวก็จะคิดใหม่เนี้ยคุณมงองจ้องนะอย่างเมี่อกี้ขลำลงไปละเนี่ยเนเนี่ยเข้าไปหามันละไม่ต้องไปค้นหามันอย่าบังคับนะยิ่งไปกันใหญ่ละเมื่อกี้ดีกว่านี้ไม่ทํานะไม่ทำอนยะู่เล่นเล่นรู้สึกไหมค้นหาอุตรุดไปหมดละ อย่าไปคิดเอาจิตคิดจิตแสวงหาจิตแสวงหาจิตเกิดจิตเกิดจิตถูกทำลายนี่หลวงปู่ดูลสอนนะบางทีท่านก็ย่อจิตคิดจิตถูกทํำลายคุณดําเกิงเป็นไงวันนี้วันนี้กับผมยังไม่มีอะไรจะกล่าบเรียนวันนี้ดีแล้วครับผมวันนี้ดีแล้วนะคุณบางองอย่าไปบังคับมาน คุณทำเกิดดีแล้วละ่ะดูไปเร่เหลือบังคับอยู่นิดหนึ่งดูออกไหมตึงเกนิดเดียวประของไว้นิดบางทีพอมันรู้สึกว่ามันมีนิดหน่อยใชนนะ่รู้ให้ถ่านนะใช้ได้โยมหนูก็ยังมีบังคับอยู่ฮะแล้วก็มีคิดนะรู้เรื่อยรู้สภาวะไปนะ แล้วสติมันก็เริ่มเกิดเองแล้วแม้เวลากิเลสเกิดขึ้นมามันก็รู้เองไม่ได้บังคับมันพอรู้เองก็ขาดไปเลยดับจงใจไปรู้ไม่ดับหรอกถ้าสติตัวจริงเกิดนะอากุศลดับทันทีค่ะไม่มีอ้อยส้อยอ้อยหญิงอะไรไม่มีนะดีนะยังประคองไว้นิดนึงอ้าวแม่ชีแม่ชวัดสันติธรรมอ๋อก็พอจะตามทันมั่งเจ้าค่ะอหากลัวแล้วยัง หายกวัวแล้วเจ้าค่ะดีแล้วใจตั้งมั่นแล้วอ่าพอพอลงล่องก็ดูเฉยเฉยอย่างเจ้าค่ะเฉยเฉยดีแล้วล่ะใช้ได้แล้วไม่ก่อนนี้พอลงปุ๊บจะสว่างอเอนี้เราพอเราตามรู้ก็เฉยเฉยอย่าค่ะเออไม่มีอะไรตามทันไว้ขึ้นเลยดีแล้วดีแล้วนะทําถูกแล้วล่ะอ้าวชาวเมืองชนวันนี้ก็ มีหลงแท่ๆกับมีลำคาญใจใ น, น้อยๆค่ะถูกต้องละรู้ถูกต้องใช้ได้อาจารย์ตู่เป็นไงวันนี้โมหะเยอะค่ะ ค, คือคือคือเห็นมันก่อนก่อ น, อนที่มันจะเป็นโมหะตัวโ ต, ว ต, ว ต, วตวอ<ล>ะค่ะอลวงพ่อดีละ <c oughs> โมหะเป็นกิเลส ท, ที่เกิดบ่อยหลวงพ่อถึงสอนให้ดูโมหะถ้าเห็นโมหะได้อะดูได้ทั้งวัน ในบรรดาสภาวะธรรมทั้งหมดน่ะอากุศลเกิดบ่อยกุศลเกิดน้อยอกุศลที่เกิดบ่อยที่สุดคือโมหะเพราะในขณะที่โลภะโทสะเกิดเนี่ยโมหะต้องเกิดร่วมด้วยในขณะที่ไม่มีโลภะโทสะก็ยังอุตสาหมีโมหะตัวเดียวดังโมหะเป็นกิเลสที่เกิดบ่อยที่สุดถ้าเรารู้จักโมหะเนี่ยคือเราปฏิบัติได้ทั้งวันเลยแล้วโมหะเนี่ยจิตมันหลงหลงอารมณ์มันรู้สภาวะไม่ได้ มันมัวหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปบัญญัติหลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสพรทภะธรรมรมที่เป็นบัญญัติหลงในรูปที่มองเห็นในเสียงเรื่องราวที่ได้ยินในกลิ่นที่ไปได้กลิ่นเข้าไปหลงบัญญัติหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยหลงที่เกิดบ่อยที่สุดคือหลงทางใจได้แก่หลงคิดงั้นเราบีบลงมาเรื่อยๆนะจากสภาวะทั้งหมดเนี่ยอกุศลมีมากที่สุด กุศลที่มากที่สุดคือโมหะอกุศลโมหะที่มากที่สุดคือโมหะทางใจโมหะทางใจมีสองแบบของคนทั่วๆไปก็คือหลงไปคิดของนักปฏิบัติก็หลงไปเพง่งนั้นถ้าเรารู้จักโมหะทางใจเนี่ยเราจะปฏิบัติได้ทั้งวันเลยสติเกิดได้ทั้งวันเลยดีจูนอย่าไปกงังวลจิตเศ้าหมอง จิตเศ้าหมองรู้ไหมว่าเศร้าหมองเศ้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองนะเรไปหาหมอดูบ้างเสียดมากพักผ่อนไม่พอไม่ได้เป็นอะไรหรอก <c oughs> แต่ถ้าการะวลมากก็มันจะเป็น <c oughs> เอออย่าไปกลัวมันนะอาชมพูได้อีกคนหนึ่ง เห็นจิตตัวเองมันทํางานลุกิ๊กุกดิกด๊กไปเรื่อยๆสิคะดีล้วนะมันทํางานไม่หยุดดูออกไหม <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ใช่ค่ะอย่าไปอยากให้หยุดนะการที่มันทํางานลุก๊กลุกดิกด๊กแล้วเรารู้ทันมันเนี่ยกิเลสกำลังเสียท่าเรากิเลสมันปรุงแต่งความฟุ้งซ่านขึ้นมามันนึกว่าจะครอบงําเราได้แต่ถ้าเราฉลาดนะกิเลสนั่นแหละแสดงร่องรอยของไตรลักษณ์ให้เห็นชมพููดูออกไหม ที่มันยุกยิกยุกยมันยุกยิกเองใช่ค่ะแสดงว่ามันไม่เที่ยงตลอดเวลาเลยรู้สึกไห้ยุกยิกตลอดเวลามันแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นมันแสดงความทนอยู่ในสภาวะอันแดอนหนึ่งไม่ได้ให้เห็นมันแสดงการบังคับไม่ได้ให้เห็นเราไม่ได้ทํามันทําเองรู้สึกไหมมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทําพงมันเองแล้วมันเห็นด้วยว่ามันเหมือนกับมัน มีความอยากที่จะหนีทุกข์มันเลยลุกนิกไปเรื่อยใช่ไงเพราะมีความอยากนะก็เลยเกิดความทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์ก็เลยเกิดความอยากนะคะภูมิธรรมของพวกเราตอนนี้เห็นได้แค่ว่าถ้ามันมีความอยากนะมันดิ้นรนแล้วมันทุกข์มีความอยากแล้วมีทุกข์คือเห็นว่ามีสมุทัยยิ่งเกิดทุกข์แต่ถ้าเราฝึกมากเข้านะเราจะรู้ว่าเพราะไม่รู้ทุกข์ถึงเกิดสมุทัย เพราะไม่รู้ทม่ไม่รู้ทุกเลยมีสมุทยัยเพราะไม่มีเพราะมีสมุทัยก็เลยเกิดทุกไม่รู้ทุกอีกก็เกิดสมุทัยอีกสังสารวัตเวียนอยู่ตรงนี้เองเวียนอยู่แค่นี้เองทุกกับสมุทยัยอิงอาศัยกันเกิดไปเรื่อยๆแต่ถ้าอยากตัดสังสารวัตให้ขาดต้องรู้ทุกเพราะรู้ทุกนะจึงละสมุทยัยเพราะไม่มีสมุทายนิโรธจึงแจ้ง แต่ว่าถ้ามีสมูทัยก็เกิดทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์เกิดสมูทัยนี่ฝ่ายวัตตะนะฝ่ายวัตตะเพราะมีสมูทัยจึงเกิดทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมูทัยส่วนฝ่ายของวิวัตตะที่จะพ้นโลกน่ะเพราะรู้ทุกข์จึงละสมูทัยเพราะละสมูทัยนีโรดจึงแจ้งง่ายๆนะแต่ว่าลึกมากเลยต้องค่อยรู้ค่อยดูอริยศาสตร์เป็นธรรมที่ลึกที่สุดเลย ครอบคลุมธรรมะทั้งหมดไว้ในอริยสัจนี่เองเพราะอนอนท์เคยไปบอกพระพุทธเจ้าบอกท่านเห็นอริยสัตว์ตื้นพุทธเจ้าบอกอย่าพูดอย่างนั้นนะเราไม่รู้อริยสัตว์เนี่ยถึงต้องเวียนว่ายไตเกิดทำไมพระอนอนท์เห็นว่ามันตื่นเมเพราะ